หโชติกะสิกขาบท109ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ก่อไฟผิงณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณภาคาชนบทถามทรงปรารภใครตอบทรงปรารภภิกษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปช่วยกันก่อไฟผิง ในโชติกะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติสองพระอนุบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทรฐานหกสมุทฐาน